เมื่อตอนสายนะไปแสดงธรรมที่ชัยภูมิไปพูดให้กับสวนะผู้สูงวัยที่เทศบาลเดี๋ยวนี้เมืองไทยเนะี่ยมีผู้สูงวัยหรือว่าคนแก่เป็นสัด ส, ส่วนที่สูงมากนะเขาว่าเนี่ยประมาณ14เนะ เป็นคนแก่อายุ60ขึ้นไปเวลาใช้คำว่าคนแก่นี่หลายคนจะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าสมัยนี้เราไม่ชอบคำว่าแก่ทั้งดีสมัยก่อนนี่คำว่าแก่กับเรื่องธรรมดาสังคมสมัยนี้เป็นสังคมที่เชิดชูความหนุ่มสาวพอไปเรียกใครว่าเป็นคนแก่เขาก็จะไม่พอใจ อันนี้มันก็เป็นการปฏิเสธความจริงนะเพราะว่าถ้าเราไม่กลัวไม่รังเกียจความแก่เราก็จะไม่เป็นทุกข์กับความแก่หรือก็คําเรียกเดี๋ยวนี้ก็ไปเรียกใช้คําว่าสูงวัยผู้สูงอายุก็เมื่อความตายนะเดี๋ยวนี้ คนไทยเนี่ยเวลาพูดว่าความตายเนี่ยรู้สึกมันเป็นคำที่ไม่สุภาพเป็นคำที่มันส ะ, ท ะ, สะเทือนใจเสียดแทงใจก็เลยไปใช้คำอื่นเพื่อเลี่ยงเช่นหมดลมสิ้นชีวิตนะสิ้นชีพไปแล้วจากไปแล้วมีสารพัดคำเพื่อที่จะเลี่ยงใช้ คำว่าความตายทั้งที่มันก็เป็นธรรมดาของชีวิตอันนี้ไปพูดที่เทสบาลเมื่อตอนสายเนี่ยก็คิดว่ า, อาพอจะมีประโยชน์ที่จะนำมาถ่ายทอดมาย่อๆให้กับพวกเราได้ฟังเพราะว่าในที่นี้ก็มีผู้สูงวัยเยอะหลายคนก็ยังยังหนุ่มยังสาว แต่ก็มีคนแก่อยู่ในบ้านแล้วก็ต่อไปตัวเองก็ต้องแก่ด้วยเพรา ะ, ะนั้นที่พูดก็คงจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็ได้บอกกับผู้ที่มาฟังว่าพวกเรานี่เตอ่เป็นผู้ที่โชคดีนะที่มีอายุยืนถึงขนาดนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ตายไป ก่อนที่จะอายุนะเจ็ 70, สซะอีกนะส่วนใหญ่นะบางคนก็อายุแค่ไม่กี่ขวบก็ตายบางคนก็ตายตอนหนุ่มสาวนะใครที่มีอายุยืนนะ8 0นี่ก็ถือว่ามีโชคนะซึ่งก็เกิดจากการที่ได้ทำบุญทากุศลเอาไว้เพราะถ้าไม่ไทำบุญทำกุศลไว้ก่อนนี่ก็คงจะไม่มีอายุยืนมาถึง ป่านนี้นอกจากมีโชคนะเพราะความที่อายุยืนแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่มีค่านะก็คือประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตที่เกิดจากการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกมามากอันนี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากแม้ว่าหลายคนจะเจอความทุกข์ความยากความลําบากอาจจะเจอความยากจนตั้งแต่เล็กต้องปากกาตีมทีบ ต้องเจอความพลาดพลาคสูญเสียก็รู้แล้วแต่เป็นความขรุขระยากลำบากของชีวิตแต่ทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันช่วยทำให้เราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้นะอย่างมีความสุขอยู่ได้ยังไงให้มีความสุขนะ ประสบการณ์หลายอย่างของคนแก่เนี่ยบางย่างก็ไม่มีประโยชน์ละเช่นความรู้ความสามารถในการทำนาในการทอผ้าในการสานกระบุงตากาัก้าในการทอเสือ้อหรือในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเดี๋ยวนี้มันไม่มีประโยชน์ละเพราะคนสมัยนี้คนสมัยใหม่เขาก็ไม่ทำนากันละทำนาก็ไม่ได้ใช้ควาย เดี๋ยวนี้เนี่ยความรู้ที่มีอยู่ในหัวของคนแก่เนี่ยมันล้าสมัยไปเยอะแล้วคนแกน่ต้องไปเรียนจากเด็กๆนะไปเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์ไปเรียนเรื่องการใช้แท็บเลต็ตไปเรียนเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยจากเด็กๆจากลูกจากหลานแต่ก่อนเนี่ยมีแต่หลานเนี่ยไปเรียนจากปู่จากย่าจากยายอันสมัยก่อนแต่สมัยนี้เนี่ยคนแก่ต้องเรียนหลายๆอย่างจาก จากหลานแล้วแต่ว่ามีมีอย่างหนึ่งน้าที่มันไม่ล้าสมัยนะก็คือประสบการณ์ชีวิตความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเข้าใจเกี่ยวเรื่องสุขทุกข์ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องความความไม่เที่ยงของชีวิตนะอันนี้เราว่าวิชาชีวิตก็ได้ไม่มีคำว่าล้าสมัย แล้วก็ยังใช้ได้และประสบการณ์ชีวิต ท, ที่บานนี่แหละนะที่ทำให้คนแก่เนี่ยจำนวนมากเนี่ยเขายังมีความสุขอยู่ได้ทั้งนั้นที่กำลังวังชาถดถอยมันมีการศึกษาวิจัยนะหลายชิ้นทีเดียวนะฝรั่งทรรมแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเฉพาะคนฝรั่งเขาก็ไปสืบ ไปสอบถามความเห็นความรู้สึกของคนทั้งโลกมีรายการวิจัยเช่นหนึ่งเนี่ยทำกับคน72ประเทศก็ทำเรื่องเดียวก็คือความสุขแล้วเขาศึกษา ว, ว่าคนแต่ละวัยแต่ละวัยเนี่ยใครมีความสุขมากกว่ากันแล้วก็พบว่าความสุขของคนตั้งแต่อายุถึงเนี่ย มันจะมีลักษณะคล้ายกับตัว U นะตัว U เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าตัว V นะก็คือว่าอายุ18เนี่ยจะมีความสุขมากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นพออายุมากขึ้นความสุขก็ค่อยลดลงลดลงลดลงลดลงมาเป็นลำดับนะจนต่ำสุดก็คือตอนที่เป็นวัยกลางคน40กว่ามีงานชิ้นหนึ่งระบุไว้ชัดเลยนะว่ อายุ46เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเป็นช่วงอายุที่มีความทุกข์มากที่สุดมีความสุขน้อยที่สุดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความสุขค่อยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเจนี่ก็สุขกว่า60ิบนะและพอถึง80ดบนี่สุขที่สุดนะสุขกว่าอายุ18อีกทัง้านที่18นี่เป็นช่วงขาขึ้นแล้วแปดิเป็นช่วงขาลงจะ แ, แปลกนะว่า คนที่อยู่ในช่วงขาลงเนี่ยกับมีความสุขมากกว่าขางที่กำลังวังชาก็น้อยลงสุขภาพก็อาจจะไม่ดีนักเดินท้องก็น้อยลงรสชาบรนดาสักก็หมดไปละขณะที่คนที่อยู่ในวัยกลางคน40กว่าเนี่ยถ้าพูดถึงอาชีพพูดถึงตำแหน่งนเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ประสบความสำเร็จสูงสุดเหียกพีก พีคไปว่ายอดเขาถ้าไม่นับคนในวงการราชการเนี่ยถ้าเป็นวงธุรกิจหรือวงการเมืองเนี่ยช่วง40กว่าไปไปลายจะจะเนี่ยเป็นช่วงที่จะประสบความสำเร็จนะได้สูงมากอย่างโอบามาเนี่ยก็ยุ40่กว่าคลินตันก็40กว่าทักษิณหรือว่า อ, าอาภิสิทธ์ก็40กว่าตอนเป็นนายก แต่ว่าส่วนรวมแล้วเนี่ยมีความเครียดมากกว่ามีความทุกข์มากกว่ามากกว่าคนในวัยเจ80ก็เขาก็สงสัยนะว่าอ้ทาไมคนแก่เนี่ยจึงมีความสุขมากกว่าคนอายุ18มีความสุขมากกว่าคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตในวัย40กว่า50แล้วพบว่า สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตของคนที่มีอายุเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยทำใจได้ง่ายมีวุฒิภาวะมีภูมิปัญญาวุฒิภาวะเนี่ย ม, มันมันมักจะเกิดขึ้นตามวัยนะภูมิปัญญาในเรื่องการใช้ชีวิตทำให้ทำใจได้ง่ายทำใจง่าย มีอะไรมากระทบนะก็โกรธยากมีความอดกลั้นได้ดีเมืเ่อเหมือนคนหนุ่มคนสาวเนี่ยนะนิดนหน่อยหก็หงุดหงิดเสียใจยทุกขนะ์เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายก็ทุกขนะ์ละนอนไม่หลับแต่เรื่องแบบนี้สำหรับคนแก่แล้วเนี่ยเรื่องจิบจอยมากรนถะติดเนี่ยคนหนุ่มคนสาวก็หงุดหงิดราคาญเสียงดังก็รําคาญคนแก่นี่ เฉยนะพอเจอมาเยอะแล้วนะอาจจะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันจิ๊บจอยแต่ผู้น่ายคือเขาทาใจได้ง่ายเขาอดกลั้นได้ดีเขาปล่อยวางได้ได้เก่งอันนี้เป็นเรื่องของวุฒิภาวะเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตเพราะรู้ว่าเออมันก็ธรรมดามันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละหรือว่าเวลามีคนมีคนล้มหายตายจากไปก็ไม่ได้ ฟูมไฟลโศกเศร้าคร่ำครวญมากเพราะรู้ว่มันเป็นเช่นนั้นเอง เ, เจอความสูญเสียพัดพร่ามา70 80ปีแล้วก็เลยธรรมดานะไม่โศกเศร้าคร่ำครวญขณเดียวกันเนี่ยเขาก็มีความเทยชยานลงน้อยลงนะความเคร่งคนเราส่วนนึงก็เกิดจากการที่เรามีความเทยชยานแล้วก็มัน มันต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้แต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยเขาเขาทำได้เท่าไหร่เขาก็พอใจแค่นั้นยอมรับข้อจากัดของตัวเองยอมรับว่าเราทำไดแค่นี้เออทาไดแค่นี้ก็ไม่เสียใจยไม่ทุกข์อาชี่คนเยิงปืนยางสาเนี่ยนะพอทำอะไรล้มเร็วนะก็ตี อ, อกชกหัวโมโหกลุ้มอกกุ้มใจบางคนเรียนไม่จบ ปริญญาเอกในะมีเพื่อนญี่ปุ่นคนนึงนะไปทําปริญญาเอกเกี่ยวเรื่องทําวิจัยทาวิจัยญญนิพนธ์เกี่ยวเรื่องตำรวจไทยไม่รู้ทำไมาไปทาหัวข้อนี้ทำมาหลายปีไม่เสร็จแกเป็นคนที่เก่งมากนะแต่ไปเจอฤทธิดเดชตำรวจไทยนะเขียนไม่ออกนะผ่านมาหลายปีก็ไม่เสร็จสุดท้ายแกก็วันหนึ่งก็เอาเชือก ไปที่สวนใกล้ๆบ้านนะแล้วก็ผูกคอาตายแต่ถ้าเป็นคนแก่นะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเรื่องธรรมดาไม่ไม่เสร็จก็ไม่เสร็จนะเราทำได้แค่นี้เราก็ปล่อยวางได้ในอเมริกานี่มีหมอนะพวกที่หมอจบใหม่เนี่ยเขาเครียดมากนะหมอจบใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวก resident ที่ใกล้จะจบก็เราอินเทอร์นพวกนี้นี่เครียดมากคนะ่าตัวตายปีหนึ่ง4ี่ร้อคนนะสูงมากเลยนะหมอนี่โดยพ่าแม่เมริกาเป็นอาชีพที่มีความทุกข์มากคนนี้ยังหนุ่มนะความรู้ดีแต่ว่าพอเจออะไรเจอความผิดหวังเนี่ยมันทำใจยาก400รอคนเนี่ยเท่ากับนักเรียนทั้งห้องนะประมาณสามห้องนะนักเรียนนักเรียนแพทย์สามห้อง หรือสี่ห้องรวมกันเนี่ยแต่ว่าคนคนที่สูงวัยคนแก่เนี่ยเขาก็ทำใจได้เพราะก็รู้ว่าเออเราก็ทาได้แค่นี้อีกอย่างนึงคือว่าเ้าไม่ลอความสุขจากอนาคตแต่ว่าสามารถเห็นความสำคัญของการหาความสุขจากปัจจุบันความสุขจากปัจจุบันนะมันมีอะไรนะ ก็ครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานหรือว่าไปเที่ยวนะไปสนทนากับเพื่อนที่ร้านกาแฟมันง่ายนะเป็นความสุขง่ายๆนะไม่ต้องสะสมเงินทองเพื่อจะไปเละเสพสุขในวันข้างหน้าเพราะว่าความสุขนี่มันหาได้ทุกวันนะเรียกว่ารู้จักมีความสุขปัจจุบันนะไม่ไปเลาะ อ, อนาคตจึงทําให้คนแกน่มีความสุขง่าย ยิ่งรู้ว่ามีเวลาเหลืออยู่ไม่นานเพราะความตายใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาความสุขจากปัจจุบันนี่แหละแล้วเขาก็รู้ว่าความสุขเนี่ยที่ดีที่สุดคือความสุขที่ใจไม่ใช่ทรัพสมบัติความสุขที่ใจเกิดจากอะไรนะเกิดจากการทาบุญทำกุศลการสวดมนต์การนั่งสมาธิการมีเวลาอยู่กับลูกหลานครอบครัวทั้งมนี่เป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตที่สอนให คนคนแก่เนี่ยส่วนใหญ่นะภาพรวมนะโดยเฉลี่ยเนี่ยมีความสุขถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้เข้าวัดเข้าวา่าก็ตามเนี่ยธรมาก็ถามคนที่มาฟังนะว่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยคนที่มีอายุมากเจ็ดสิบแปิจะมีความสุขกับตอนที่อายุสี่สิบห้าสิบเนี่ยให้ถามตัวเองว่าเรามีความสุขมากกว่าหรือเปล่า หรือว่าเรามีความสุขน้อยกว่าตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวตอนที่เรายังอยู่ในวัยส0่ส้าถ้ามีความสุขน้อยกว่าแสดงว่ามันไม่ปกติแล้วนะมันแสดงว่าประสบการณ์ชีวิตที่เรามีเนี่ยไม่ได้อามาใช้ไปนึก็ถามว่าอะไรที่ทําให้คนแก่ไม่มีความสุขนะข้อแรกเลยนะัก็คือความพ่วง ความวิตกกังวลวิตกกังวลอะไรนะไม่ได้วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องสถานะการเงินของตัวเองนะเพราะหลายคนก็มีฐานะดีแต่ห่วงกังวลลูกหลา น, นบางทีลูกเนี่ยอายุสี่สิแล้วเนี่ยก็ยังห่วงนะคอยถามคอยโทรศัพท์ไปถามหรือให้ลูกโทรศัพท์อะไรงาว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรมี โยมคนนึงนะอายุ40กว่าแล้วพาแม่มามาหาตามาแล้วก็บอกให้ตามานี้พูดกับแม่ว่าให้เลิกห่วงกังวลลูกสัทีพราะลูกก็อึดอัดส่วนแม่ก็เครียดนะเวลาลูกเนี่ยไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีโยมคนหนึ่งมาหาที่ภูหลงแล้วก็เอาังกระางมาถวายรู้จักกัน หลายปีมาแล้วโยมคนนี้เนี่ยมีหลานน่ารักเนะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยหลานอายุห้าขวบแม่จะพาหลานเนี่ยแม่คือลูกของโยมคนนี้ น, นะเป็นแม่ของเด็กจะพาไปต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศโยมคนนี้แกก็ห่วง แกก็รักหลานมากแกก็มีความกุ้มใจว่าหลานจะไปแล้วไปต่างประเทศไปนิวซีแลนด์ไกลเป็นห่วงมากเลยมีความทุกข์ถึงขั้นกุ่มใจอัตมาก็เมื่อสองปีที่แล้วก็ไปพูดทโยงมันนั้นฟังว่าเนี่ยต้นกล้านี่นะถ้ามันเกิดโตอยู่ใต้ร่มเงาของต้นที่เป็นแม่ มันจะโตไม่ไม่เต็มที่นะเพราะมันอยู่ภายในร่มเงาของแม่ตลอดต้นไม้เนี่ยมันต้องออกมาจากร่มเงาของแม่นะมันถึงจะโตถึงแม้ว่ามันจะต้องเจอแดดเจอฝนเจอลมแต่ฝนแดดลมไม่ก็จะทําให้ต้นไม้นี่กร้าวกร่งจะอยากจะให้ต้นไม้ที่เป็นลูกโตนะต้องให้อยู่ห่างไกลาจากร่มเงาของของแม่นะให้ไกล เป็นลูกไม้ที่ไกลต้นหน่อยลูกไม้ที่ไกลต้นเนี่ยพอมันโตแล้วมันจะเป็นต้นไม้ที่ที่สูงใหญ่เพราะว่าเจอแดดเจอลมเจอฝนพอพูดแบบนี้เนี่ยโยมพันธ์แก่ก็ทําใจได้เออหลานไปไกลาจากเราก็ดีเหมือนกันนะก็ลปลอบใจแบบนี้นะว่าดีเหมือนกันก็ทําให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองนั่นคือสองปีที่แล้วนะ เมื่อวานนิยมก็มาขอบคุณนะบอกว่าขอบคุณที่แนะนําแบบนั้นเพราะว่านอกจากทําให้ทําใจได้แล้วเนี่ยก็ได้เห็นจริ ง, รงๆนะว่าพอหลานเนี่ยไปอยู่ห่างไกลาจากยายแล้วเนี่ยเขาก็โตขึ้นนะเขาก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นวิจัดขวมนะแต่ว่ามีความสุขแล้วก็มีความฉลาดช่วยตัวเองได้ส่วนใหญ่นะคนแก่ในห่วงหลาน พ่อห่วงว่าเขาจะลำบากหรือห่วงลูกว่าจะลำบากแต่ที่จริงเราไม่ได้มองว่าความลำบากเนี่ยความยากลำบากเนี่ยมันก็ทำให้ลูกให้หลานของเราเนี่ยกล้าแกร่งขึ้นมาถ้าเขาสบายเกินไปนะเขาก็จะอ่อนแอถ้าเขาได้เจอความยากลำบากบ้างเขาจะพึ่งตัวเองได้่วนเน่ยตามาก็ขอบคุณโยมแม่นะเพราะว่า ให้ตัวเองเนี่ยพึ่งตัวเองตั้งแต่เล็กเลยอายุ7กเขวบก็ให้นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนเองเวลาลืมสมุดการบ้านแม่ก็ไม่เคยช่วยเลยให้ตัวเองต้องรับกรรมนะคือโดนครูตีโรงเรียนสำชาญิเตีตีอย่างเดียวมันก็ทมให้เราเระมัดระวังนะต้องช่วยตัวเองอย่าไปหวังพึ่งใคร ในความห่วงกังวลของของแม่หรือของของยายเนี่ยบางทีมันก็เป็นผลเสียกับลูกนะเป็นผลเสียกับหลานต้องปล่อยวางปล่อยวางซะบ้างให้มีอุเบกขาว่าเออเขาจะไปได้นะก็จะไปได้ดีถ้าไม่ปล่อยวางนะเจ้าตัวก็ทุกข์แล้วถ้าเกิดว่าเกิดตายขึ้นมานี่ก็ตายไม่ดีนะเพราะว่าก็จะ ตายด้วยความทุรนทุนรายก็จะนึกถึงลูกนึกถึงหลานบางทียังไม่ทันตายเลยเนี่ยก็เป็นทุกข์แล้วมีอมมา่าคนหนึ่งนะอา ม, มาคนนึงเนี่ ย, ยแกรักหลานมากหลานอายุสามสี่ขวบจะไปคอย จ, ำ, จ, จำใจจำายหลานเวลากินท่าตลอดเวลาทั้งที่หลานนี่ก็มีพี่เลี้ยงแล้วหลานก็ลำคาญ น, นะก็สู้สู้กับอมมา마อยู่เป็นประจำแล้ววันหนึ่งอมมาม่าก็ ป่วยเข้าโรงพยาบาลเข้าใจวโคโม่าด้วยโคโม่าคือไม่รู้เนื ar, รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลไปได้วันสองวันเนี่ยค่ที่พ่อแม่ลูกกําลังกินข้าวกันอยู่มือเย็นให้เด็กก็พูดขึ้นมาเลยวนะ่อมมาอาม่าพอแล้วหนูไม่กินแล้วหนูอิ่มแล้วคนมันต๊นยังงงเลยนะเด็กมันพูดกับใครนะ เพราะว่าบนโต้นนี่มีแค่สามคนแต่เด็กบอกว่าเห็นอาม่ามาอาม่ามาจําจีจำชัยกแล้วให้เด็กมันก็บอกว่าอาม่าพอแล้วตัวอาม่าเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนะแต่ว่าใจเนี่คงจะถวิลหาหลานนะส่งจิตมาเลยนะส่งจิตมาจําจีจํำชัยหลานไอ้แบบนี้ไม่ไม่ให้ดีนะไม่ใช่ดีกับอาม่านะเพราะว่าถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยตายไม่สงบนะ ถ้าเราอยากจตายสงบเนี่ยจะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างคลายความห่วงกังวลในลูกในหลานบ้างนะให้มั่นใจว่าเขาจะเข้มแข็งเขาจะพึ่งตัวเองได้นอกจากความห่วงกังวลแล้วนะอีกอันหนึงคือความโกรธเดี๋ยวนี้มีคนแก่จํานวนมากเนี่ยนะยิ่งแก่ตัวเนี่ยก็มีความหงุดหงิดนะมีความอารมณ์อารมณ์เสียอารมณ์ร้าย ทั้งที่พูดถึงวัยเนี่ยนะน่าจะเย็นลงและพูดถึงประสบการณ์ชีวิตเนี่ยก็น่าจะปล่อยวางมากขึ้นปกติแล้วเนี่ยถ้าระหว่างแม่กับแม่กับย่ายายเนี่ยหลานจะรู้สึกว่าแม่รหลานจะรู้สึกว่ายายเนี่ยอารมณ์เย็นกว่าอดทนได้มากกว่าแม่แต่เดี๋ยวนี้มันชักจะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะเดี๋ยวนี้คนแก่นี่ ความหงุดหงิดมีสูงนะความโกรธเกรี้ยวนะมีมากอันนี้ก็มีคนมามาปรึกษาตมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะว่าจะทําังไงแม่นี่หรือพ่อนี่อารมณ์ร้ายโกรธหงุดหงิดเป็นประจําอันนี้แสดงว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้สอนเลยไม่ได้สอนว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่ไม่ได้สอนให้ รู้จักการปล่อยวางนะไม่ได้สอนให้เห็นว่าให้ความผิดหวังไม่สมหวังไม่ถูกใจเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีอายุมากขึ้นนะแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้สอนนะให้เห็นอะไรต่อเรื่องธรรมดานี่แสดงว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาสูญเปล่านะมันสูญเปล่าทั้งที่มันมีค่ามาก เมื่อเรามีอายุมากเนี่ยเราต้องรู้จักการปล่อยวางเห็นว่าอะไรแล้วก็ธรรมดานะความไม่สมหวังความไม่ถูกใจนี้มันเป็นธรรมดาจะโกรธไปทำไม น, นะความโกรธก็เกิดจากการที่เจอสิ่งที่ไม่สมหวังเจอความผิดหวังไม่ถูกใจประสบการณ์อสอนนะว่าเออจะให้คนอื่นทําถูกใจเราได้ยังไงขณะเราเองเนี่ยยังทําไม่ถูกใจตัวเองเลย ใจเราเองเรายังสั่งไม่ได้เลยนอนไม่หลับสั่งให้มันหลับมันก็ไม่ยอมอยากให้คนอื่นรู้ใจเราแต่เราไม่รู้ใจตัวเองนะเราจะไปคาดหมายให้คนอื่มารู้ใจเราได้อย่างไรที่จริงประสบการณ์ชีวิตมันจะสอนนะว่าเออจะไปคาดหวังจากคนอื่นได้ทำไมเนเขาก็มีอวิวิตีทางของเขา นี่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จักนะระ ง, งับความโกรธหรือว่าไม่รู้จักปล่อยวางบ้างเนี่ยมันก็ทําลายตัวเองนะโรคประสาทหรือว่าโรคเครียดโรคความดันบางทีเสลล์ในสมองแตกเดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นกับคนสูงสูงวัยมากขึ้นไม่ใช่เพราะไขมันมันเยอะเท่านั้นฮะแต่เป็นเพราะว่าความเครียดด้วยหาโลม า, มามากเนี่ย ก็ควรจะใช้ประสบการณ์เนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการปล่อยวางในการคลายความโกรธรวมทั้งรู้จักให้อภัยด้วยบางคนไม่ได้กลัลูกนะบางคนไม่ได้หงุดหงิดลูกไม่ได้หงุดหงิดหลานแต่ว่าโกรธสามีแคลนสามีที่ไปมีเมียน้อยบ้างละหรือว่าโกงเงินบ้างละไม่ซื่อสัตย์บ้างละ ผ่านไป3าปนะีเหตุการณ์เนี่ยก็ยังพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าตัวเองพูดไปก็ไม่มีความสุขนะแต่ว่าก็ไม่ลืมอันนี้พอไม่รู้จักการให้อภัยเนี่นการให้อภัยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ผู้สูงวัยต้องมีที่จริงประสบการชีตเนี่ยมันจะสอนให้เขารู้จักการให้อภัยเพราะประสบการณ์จ้สอนว่าคนร่มก็ผิดพลาดได้สมัยที่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยมันก็ลุ่มหลงใน เนื้อหนังนะในความสุขชั่วครู่ชั่วยามแต่พอแก่ตัวก็สื่เออมันก็เป็นของธรรมดาเนี่ยที่คนเราเนี่ยมันก็ลหลงไหลไปแต่พออายุมากมันก็ปล่อยวางได้ก็ให้อภัยได้คนเราถ้าให้อภัยไม่ได้แสดงว่านะทำร้ายตัวเองยังมีความสุขกับการทำร้ายตัวเองภ า, าษาฝรัง่งเรียกมาโซคิสนะมาโซคิสคือพวกที่ ชอบทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองก็ทำร้ายด้วยการเอาของแหลมมาทิ่มแทงตัวเองบ้างล่ะหรือให้คู่คู่นอนเนี่ยทำร้ายตัวเองบ้างแต่ว่ามาสโซคิดอีกแบบเนี่ยคือการที่พอใจกับการที่เก็บความโกรธความแค้นความพยาบาทเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอันนี้มันก็เป็นแสดงว่าไม่รักตัวเองนะนอกจากความโกรธแล้วก็มีอันนึงนะคือความหวงแหน หวงแหนหวงแหนทรัพย์แล้วก็โลภด้วยบางคนก็ทุ่มเททํางานมาทั้งชีวิตเก็สะสมเงินทองมีเงินมากนะแต่ว่าเสียดายที่จะใช้มันเงินเนี่ยมีไว้ใช้นะไม่ใช่มีไว้เก็บพระพุทธเจ้าก็ตัดเองนะเงินเนี่ยมีไว้เพื่อเลี้ยงตัวให้มีความสุขแล้วก็เลี้ยงลูกหลานให้มีความสุขแล้วก็เอาไว้ใช้ในการ ทำบุญทำกุศลเลี้ยงสมณาชีพรามใครที่มีเงินแล้วเก็บเอาไว้ในผู้เจ้าเนี่สารเสือเป็นคนโง่นะตำหนิตําหนิว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักใช้ทรัพย์แสดงว่าทรัพย์เป็นนายเราที่จริงเราต้องเป็นนายของทรัพย์นะก็คือใช้มันให้ถูกถ้ามันเป็นนายเราก็หมายความว่าเราหวงเรา จะไม่ยอมทํำเรายอมลําบากเพื่อมันยอมลําบากเพื่อมันหรือยอมตายเพื่อมันโจนมาพ้นเอาเงินก็ไม่ยอมให้เงินเสียดายเงินขัดขืนต่อสู้โดยถูกโจรแทงตายยิงตายอันนี้ว่ายอมตายเพราะเงินยอมตายเพราะเงินนี่ถือว่าโง่นะเพราะว่าเงินเนี่ย อุตจาวบอกว่าย่อให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมแต่ถ้าสล ะ, ะชีวิตเพื่อทรัพย์สินเนี่ยแสดงว่าโง่ละไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะเงินใช้จ่ายไปทีละเงินใช้จ่ายไปแต่ละทีแต่ละทีก็กุ้มหมวกกุ้มใจทั้งที่ก็ใช้จ่ายเพื่อตัวเองเช่น ลูกก็จ้างคนงานมาดูแลแม่พอแม่รู้ว่าจ้างเดือนละหมื่นกว่าเนี่ยแม่กุมใจแม่นี่บน่นบนแล้วบนอีกว่าพอเสดายเงินเงินเป็นหมื่น เ, เงินมีไว้เพื่อใช้ไงเพื่อทำให้เกิดความสะดสบายมเมื่อลูกจะใช้เงินเพื่อแม่ก็น่าจะยินดีนะแต่กลับว่าลูกเสดายเงิน แล้วก็เรียกร้องให้ลูกเนี่ยไม่ต้องไปจ้างคนงานแต่ให้ลูกมาดูแลแม่เองลูกก็ปวดหัวลูกจะดูแลยังไงต้องทำงานลูกก็มีลูกต้องดูแลเหมือนกันเกิดความเครียดนะทั้งบ้านเลยอันนี้เพราะว่าความงกในเงินนะเป็นความงกบางคนนี่ตัวอยู่โรงพยาบาล น, นะแต่ว่าใจเนี่ยนึกถึงแต่เงินที่คนยืมไป มีลายเนื้อตัวจะตายอยู่แล้วนะหมอก็บอกให้ปล่อยวางนะปล่อยวางเรื่องลูกพอบอกให้ปล่อยวางเรื่องรับนี่แกหน้ามีคิ้วขมวดเลยแกไม่ยอมวันรุ่งขึ้นก็มีเพื่อนบ้านมาหามาเยี่ยมที่โรงพยาบาลหน้าตาเลือดลักมาแกบอกว่าอ่เพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยยืเมเงินแกหลายปีแล้วไม่คืนปรากฏว่า ไอ้เช้าวันนั้นเนี่ยแกไปทวงเงินไปทวงเงินจากเพื่อนบ้านตัวอยู่โรงพยาบาลนะแต่ว่าส่งจิตไปทวงเงินส่งจิตไปทวงเงินแสดงว่าหวงเงินมากนะเสียดายเงินยังไม่ทันตายเลยก็ไปหลอก <c oughs> ก็ไปทวงเงินแล้วเพื่อน <c oughs> เพื่อนบ้านก็เลยรีบมาโรงพยาบาลมาบอกคนไข้ว่าจะจะคืนเงินให้ เพ ก, กวว่าถ้าเกิดตายนี่คงจะมาหลอกหลอนไอ้แบบนี้ถ้าเกิดว่าหวงแบบนี้แล้วไม่ปล่อยไม่วางนะก็ตายไม่ดีนะเหมือนกับพระติศะพระติศะนี่ได้จีวรใหม่มาเป็นพระสมัยพุทธการสมัยก่อนจีวรนี่หายากนะต้องไปเก็บจากศพนี่นี่พี่สามมาถวายไม่ทันจะได้ใช้ก็มรณะภาพกัทันหัน ที่สุดท้ายเนี่ยไปนึกถึงจีวรนั้นด้วยความเสียดายพอตายปุ๊บเนี่ยไปเป็นเลนอยู่ในจีวรจากคนนะกลายไปเป็นเลนเนี่ยมันเรียกว่าตกชั้นตกตกอันดับมากเลยจากพระ้ะกลายเป็นเลนนะแทนที่จะขึ้นไปเป็นไปขึ้นไปไปขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาหรือว่านิพพานไปเลยเนี่ยกลายไปเป็นเลนจะเป็นหมา ย, ยังพอว่านะนี่เป็นเลนนะ เพราะอะไรเพราะความหวงหวงความอะไราในทรัพยนะ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะการรู้จักนะปล่อยวางในทรัพย์นี่ก็สำคัญทรัพย์เนี่ย ม, มีไว้เพื่อให้เราใช้นะไม่ใช่เพื่อเป็นนายเราบางคนเนี่ยยอมตายเ พ, เพื่อทรัพย์นะเพชรพลอยทอง อยู่ในบ้านที่กําลังไฟไหม้เสียดายมากเลยนะเพชรพลอยนะอุตสาสะสมอุตสาหเก็บพร้อมรอมริบนะซื้อทองหลายเส้นมันอยู่ในกองไฟทําไงวิ่งเข้าไปเลยนะวิ่งเข้าไปเพื่อจะเอามันออกมาปรากฏว่าออกมาไม่ได้ตายตายเพื่อมันอย่างนี้เรียกว่า มันเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของมันคนที่ไปยึดว่ามันเป็นของเรานะเรากลายเป็นของมันทันทีเลยเรายอมตายเพื่อมันได้ประสบการณ์ชีวิตสอนวนะ่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยคนที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยประสบการณ์สอนว่าของพวกนี้มันเป็นของชั่วคราวทรัพย์สมบัติเนี่ยมันไม่เป็นไม่เป็นของเราเลยไม่แต่น้อตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ก็ไปงานศพไม่รู้กี่งานแล้วกี่ศพแล้วก็เห็น ศพเขานะเอาเอาเหรียญนี่ใส่ปากนะเหรียญก็ไม่ไปไหนอะ่ะพอเผาศพเหลือแต่กระดูกนะเงินก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละบาลก็ไปไม่ได้เราจะห่วงแหงมาไปทําไมนะมีก็ใช้นะแต่ไม่ใช่ใช้แบบฟุ่มเฟือยเก็บพร้อมรอมรีบบ้างเพื่อใช้ในโอกาสต่อไปแต่ไม่ใช่เพื่อเก็บเอาไว้อย่างเดียว อีกอันหนึ่งนะที่ทําให้คนแก่มีความทุกก็คือความกลัวนอกจากโกรธนอกจาก ว, วิตกกังวลนอกจากาหวงแหาแล้วเนี่ยอันนี้คือความกลัวกลัวอะไรกลัวตายที่จริงประสบการชีวิตก็เหมือนกันนะมันน่าจะสอนนะเออคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายแล้วคนที่ผ่าลกมามากก็จะเห็นว่าออคนที่ตายดีก็มีนะคนที่ตายสง่งก็มีนะ เขตายสงบพออะอแล้เพราะว่าเขาทำบุญทาทานเขาสร้างบุญสร้างกุศลเขาปล่อยวางเขาอยอมรับความจริงของชีวิตนะเขาพิจารณาความตายอยู่เสมอคนที่กลัวตายนี่แสดงว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สอนเลยจึงยอมรับความตายไม่ได้นะถ้าเราแต่ถ้าเรากลัวตายนะต้องเร่งทำความดีเร่งสร้างบุญสร้างกุศล เร่งทำหน้าที่ให้ให้ครบท่วนสมบูรณ์แล้วก็นะเจริญสติทำสมาธิภาวานาและเลึกถึงความตายอยู่เสมอเชื่มอมรณาสติก็พูดยาวแบบนี้นะจริงๆพูดยาว ก, กว่านั้นนะอันแต่คิดว่าก็มาไล่พวกเราฟังเพาคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ทั้งที่คนที่เป็น ผู้สูงหวัยหรือคนแก่คนชราเองแล้วก็รวมทั้งคนที่ยังมีคนชราคนแก่อยู่ในบ้านนะก็จะได้รู้วิธีนะที่จะพูดที่จะนำเพื่อใหอ้มีความสุขเหมือนอย่างที่คนแก่ส่วนใหญ่เขามีความสุขกันเอาแล้วก็พูดกันเท่านี้กบ